สมัยพัธการมีหมอคนหนึ่งที่เก่งมากนะอาจจ ะ, ะเรียกว่าเป็นหมอเทวดานะี่คือหมอชีวกะกวมารพัฒนคนที่สนใจแพทย์แผนไทยก็ออจะรู้จักหรือได้ยินกิจศั์ของหมอชีวกนะได้เป็นอย่างดีเพราะว่าท่านเป็นถืว่เป็นปรมาจารย์ของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แบบโบราณนะ ที่มาจากอินเดียนั่นเป็นหมอประจำตัวของพระพุทธเจ้าด้วยสมัยที่พระองค์อยู่เวลุวันใกล้กรุงรัชครึกหมอชีวกนี้ก็ประวัติน่าสนใจนะที่น่าสนใจตอนนั้นคือตอนที่ท่านไปไปเรียนที่เมืองตั ก, กศิลาตั ก, กศิลานี้เข้าใจว่าอยู่ในเขตประเทศ อัฟกานิสถานในปัจจุบันนั่นนะหรือไม่ก็ะ่ปากีสถานก็ไปเรียนกับสํานักของอาจารย์ที่ซาปามโม่ไปเรียนอยู่ประมาณเจ็ดปีก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบแล้วหรื อ, อยังก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ก็ทดสอบความรู้ว่ า, าควรจะเรียนต่อหรือไม่หรือว่าจบแล้วก็บอกให้ชีวกเนี่ยนะซึ่งตอนนี้นยังไม่เป็ น, ปนหมอ ให้ไปสำรวจพื้นที่บริเวณหนึ่งโยรอบเมืองตา ก, กศิลาแล้วก็ดูว่าพันไม้อะไรบ้างที่ใช้ทำเป็นยาไม่ได้รอบเมืองในรัสมีหนึ่งโยช น, นี้ก็กว้างนะตั้งก็ใช้เวลาอยู่นานนะมีเจาะมีเสียมอยู่มีเสียมอยู่อันหนึ่งก็ไปไปดูหมดนะพืชพันธุ์ตานาชนิด สุดท้ายก็กลับมาบอกอาจารย์ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยหนะ้าที่ใช้ทำเป็นยาไม่ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้เงินสาเร็จการศึกษาแล้วนั่นกลับกลับบ้านได้เลยนะคนที่เขาเรียกว่ารู้จริงเนี่ยจะพบว่าทุกอย่างนะพื่อทุกอย่างเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นใช้ทำเป็นยาได้แม้แต่วัชพืช แม้แต่พืชที่มีนามมีพิษรวมทั้งอุตพิษิด้วยนะอันนี้ใช้ทาเป็นยาได้ทั้งนั้นมีประโยชน์มันอยู่ที่ว่าจะใช้มันอย่างไรนะจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แต่เฉพาะพืชทั้งหลายนะจริงทุกอย่างเลยในโลกนี้ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยล้วนแต่มีคุณประโยชน์ทั้งนั้น อยู่ที่ว่าเราจะมองหรือว่าใช้มันอย่างไรในโลกนี้เนี่ยเรามักจะแยกของต่างๆเป็นสองอย่างนะก็คือดีไม่ดีแต่ว่าแม้แต่ของที่เราตีค่าว่าไม่ดีเนี่ยก็สามารถจะเป็นประโยชน์ได้อุจจาระหรือขี้เนี่ยนะถ้าไปวางไว้หน้าบ้านเนี่ยมันมันเป็นโทษนะส่งกลิ่นเหม็นแต่ถ้าเกิดว่า เอาไปไว้ในสวนเนี่ยนะมันก็กลายเป็นปุ๋ยนะมีประโยชน์ที่จริงเนี่ยอุจจาระของเราเองเนี่ยแม้จะไม่เอาไปทําเป็นปุ๋ยเนี่ยแต่มันก็มีประโยชน์นะหมอเนี่ยเขาก็ใช้อุจจาระเนี่ยในการอ่าวินิจฉัยโรคของเราได้ไม่ใช่เฉพาะหมออ่าแผนใหม่เท่านั้นนะที่เอาอุจจาระไปตรวจหา พยาธิบั้งหาเชื้อโรคบางอย่างหมอที่ทําเรื่องการล้างพิษเนี่ยดูอุจจาะของเราก็บอกได้ว่าเออตอนนี้สุขภาพเราเป็นอย่างไรบางทีดูได้ตาเท่านั้นแหละหรือสมัยก่อนนี่ถึงกับขั้นมีการชิมเนียนะชิมอุจจาระของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคอะไรแม้ทั้งคี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะอยู่ที่ว่า เราจะมองหรือใช้มันอย่างไรเชื้อโรคนะก็มีประโยชน์นะถ้าหากว่าเราใช้มันให้เป็นเช่นเอามาทําเป็นวัคซีนอ่านมาทำเป็นวัคซีน น, ะ น, นี่ก็ทําให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคนั้นได้วัคซีนที่เราใชนะ้ฉีดป้องกันโรคเนี่ยมันก็มาจากเชื้อโรคที่ทําให้อ่อนทั้งหน่อยหรือว่าเอามาผ่านกระบวนการยาพิษ ถ้าเราใช้ใเป็นนะมันก็สามารถจะเป็นยารักษาโรคได้ไอเคมีบําบัดนะที่เราใช้รักษามะเร็งเนี่ยมันก็จะว่าแปรมก็เป็นยาพิษนะเพียงแต่ว่าเอามาทำผ่านกระบวนการมันก็กลายเป็นยาที่รักษาชีวิตคนได้ความเจ็บความป่วยไม่มีใครชอบนะแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดูให้ดีนะมันก็ เป็นสัญญาณเตือนว่าเราอาจจะนอนไม่เพียงพอกินอาหารไม่ถูกต้องใช้ชีวิตไม่สมดุลนะไม่ออกกำลังกายเอาแต่กินแต่พลังงานที่มีที่สะสมแม่ไปใช้มันก็เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บให้ดูดีๆนะทุกอย่างนะมีประโยชน์แม้แต่ความล้มเหลวนะความล้มเหลวเนี่ย หรือความผิดพลาดเนี่ยมันก็เป็นครูได้นะก็เรียกผิดเป็นครูแตาเราเอาแต่รู้มือคุ่มใจนะท้อแท้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราใช้มันไม่เป็นวความผิดพลาดมีสองอย่างนะผิดพลาดที่ที่เป็นอ่าที่เป็นลบนะกับผิดพลาดที่เป็นบวกหรือผิดพลาดที่เป็นโทษกับผิดพลาดที่เป็นคุณความผิดพลาดที่เป็นลบคือว่า ผิดแล้วเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยส่วนความผิดพลาดที่เป็นคุณก็คือว่าเออผิดพลาดแล้วได้ประโยชน์ช่วงนี้ก็มีนักกอล์ฟคนหนึ่งที่มีชื่อของคนไทยนะเขาเรียกว่าโปรโมเมโปรโมเมก็เป็นหมายถึงนักกอล์ฟมือโปรนะตอนนี้มีชื่อมากนะเพราะว่าได้แชมป์นะสี่แชมป์ติดต่อ ก, กันโดยเฉพาะแชมป์เมื่ อ, อล่าสุดเมื่อเดนที่แล้ว ก็เป็นแชมป์เมเจอร์นะของอังกฤษคือถ้วยของหรือแชมป์เนี่ยนะมันมีหลายระดับนะระดับที่เขาถือว่าระดับ A บวกเนี่ยนะก็คือเขาเรียกว่าเมเจอร์นะคือมันเป็นแชมป์ยากนะก็มีที่อเมริกามั่งอังกฤษมั่งแคนาดามั ง, Canada, มงออสเตรเลียบ้างเนี่ยเป็นต้นเธอก็เพิ่งได้แชมป์มาเป็นเพียงไทยคนแรก แต่ว่าความเป็นมาเนี่ยนะน่าสนใจนะเพราะว่าสามปีก่อนเธอกเกิดจะได้แชมป์มาทีละที่เมืองไทยแต่ก็ไปแพ้เอาหลุมสุดท้ายนะไปเสียท่าต้นปีนี้ก็จะได้แชมป์อีกแล้วก็ไปพลาดเอาหลุมสุดท้ายคนที่จะได้แชมป์แล้วเนี่ยแค่หลุมเดียวเนี่ยนะจนแล้วก็บอกว่าแพ้เนี่ยมันเจ็บปวดนะแต่เธอก็ให้สัมภาษณ์นะเมื่อไม่นามอันนี้ว่า ไอ้ความความล้มเหลวของเธอเนี่ยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอมองว่าเธอโชคดีโชคดีที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ได้แชมป์เมื่อสองสามปีที่แล้วเธอบอกว่าเนี่ยเหตุผลก็คือว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงบางช่วงที่ย่ำแย่หรือว่าล้มเหลวแต่เธอโชคดีที่มันเกิดขึ้นในตอนที่เธอยังอายุไม่มากก็ทําให้เธอได้เรียนรู้ ทำให้เธอเนี่ยสามารถจะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ได้เธอถึงบอกว่าเนี่ยโชคดีเพราะบางคนเนี่ยมามาล้มเหลวเอาตอนที่มันแก่เกินกว่าจะเรียนรู้แล้ว เ, เธอมาเจออุปสรรคเอาตอนที่ยังสาวยังยังเด็กก็ทําให้ได้เรียนรู้นให้สิ่งที่มันเป็นความล้มเหลวที่ทาให้เธอเนี่ยร้องโฮมร้องไห้ ผ่านไปสามปีเธอกลับมองว่าเออมันมันดีนะมันเป็นโชคดีนะโชคดีที่แพ้นะเพราะว่าทำให้ได้เรียนรู้แต่คนหลายคนเนี่ยแพ้แล้วไม่เรียนรู้เลยนะไม่เอาผิดเป็นครูอั้นผิดหรือพลาดหรือแพ้เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะถ้าหากว่าเรารู้จักมองมันหรือใช้มันให้ถูกผิดเป็นครูศัตรูคือยากาลังนะศัตรูคือยากาลัง ศัตรูก็มีประโยชน์เหมือนกันนะทำให้เราไดา้เข้มแข็งขึ้นนะข้อดีของศัตรูคือมันทำให้พวกเราเนี่ยจับกลุ่มกันว่ารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะประเทศไหนถ้าไม่มีศัตรูนะก็จะทะเลาะเบาแวงกันนะแต่พอมีศัตรูแล้วเนี่ยโอ้มันรวมกันเนียวแน่นอ่า น, นี้ก็เกิดขึ้นได้กับไม่ใช่ประเทศอย่างเดียวกับบ้านกับองค์กรกับหน่วยงาน แต่ถ้าให้ดีเนะี่ยมันไม่เต้องมีศัตรูหรอกนะเราก็สามารถจะเอาบทเรียนเอาความล้มเหลวเนะี่ยมาเป็นเครื่องสอนใจสมานจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาความทุกข์ความยากความลําบากเนะี่ยมาเป็นเครื่องช่วยให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคนเราพอทุกข์กด้วยกันแล้วนะมันกลายเป็นเพื่อนทุกข์นะพอรู้สัวเป็นเพื่อนทุกข์แล้วจะรักกันนะอย่างไปปลูกป่าเมื่อวานเนี่ยเออถ้าลําบากด้วยกันนะมันก็จะรักกันมาก นะความลำบากนี่ก็มีประโยชน์มันช่วยหลอมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนะช่นเดียวกับความล้มเหลวความความทุกข์นนะแล้วมันทำให้เราเรียนรู้ที่จะรับมือกับความทุกข์ได้อย่างโปรโมเมเนี่ยนะที่แกพลาดถึงสองครั้งใกล้ๆกันเนี่ยเพราะว่าแกหล่นตื่นเต้นเวลาถึงลุมสุดท้ายเนี่ยจะชนะอยู่แล้วนะตื่นเต้นไซน์นะ ภาษาวงการกีฬาเรียกโชกก็เลยตีผิดตีพลาดให้คู่แข่งแซงไปตอนหลังก็ได้ที่ปรึกษาดีเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็สังเกตว่าเวลาเธอตื่นเต้นเนี่ยมักจะตีเร็วมักจะทำอะไรเร็วๆยิ่งพลาดก็ใปใหญ่ต้องทำให้ช้าลงแต่จะจะทำอะไรให้ช้าลงได้นะกค็คิดค้นหาวิธีต่างๆมากมายสุดท้ายก็พบว่าการยิ้ม คนไทยนี่เก่งเรื่องยิ้มอยู่แล้วเอายิ้มมาใช้เวลามันเครียดเวลาเจออุปสรรคเนี่ยยิ้มไว้ก่อนไอ้คมการยิ้มเนี่ยมันช่วยทำให้ใจผ่อนคลายทำให้ทำอะไรช้าลงทำให้สติเรียกกลับมานะปัญหาจริงก็ง่ายนะแต่บางทีวิธีง่ายๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านความเจ็บปวดนะผ่านความลุ่มเหลวมาถึงจะรู้ว่าอ๋อมันมีทางออกแต่ทางออกบางทีก็ไม่ได้ยากอะไรนะ มันอยู่ที่การทําใจและการทําใจบางทีก็เกิดจากการที่เรานะยิ้มเขาไว้ก่อนที่พูดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของของสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่ดีนะแต่ว่าพอเราใช้มันให้เป็นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์หรือแม้แต่ไม่ต้องใช้อแค่มองเนี่ยแค่มองให้มันเป็นบวกก็ดีก็กลับเป็นดีได้อย่างเช่นความเครียดเนี่ยหลายคนไม่ชอบนะ แต่จริงก็มีเหตุผลที่น่าจะไม่ชอบนะเพราะว่าความเครียดนี่มันทําให้คนเจ็บป่วยทางการแพทย์ก็บอกว่าเนี่ยความเครียดเป็นสาเหตุการตายที่น่ากลัวยิ่งกว่าเล่าหรือบุหรี่ซะอีกแต่ตอนนี้ก็พบว่าความเครียดเนี่ยมันจะมันสามารถจะมีขุนได้สามารถจะเป็นประโยชน์ได้ถ้าเรามองมันให้เป็นนะถ้าเราทําใจนะ มองมันในแง่ดีเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะอย่างเช่นเขาเอาเมื่อสักหลายตงสามสี่ปีก่อนมั่งเขาเอาเจ้าหน้าที่ธนาคารในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนั้นกาลังประสบวิกฤตเนี่ยประมาณ4ี่ร้อคนเนี่ยเอามาแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ดูก่อนที่ให้ดูคลิปวิดีโอที่พูดถึงโทษของความเครียดนะอีกกลุ่มหนึ่งให้ดูคลิปวิดีโอที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมัน มันช่วยเสริมสร้างสมรรถนะการทํางานได้อย่างไรกลุ่มที่สามนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องดูวีดีโอแล้งสิน้นแล้วผ่านไปประมาณสองสามอาทิตย์เข้าไปดูว่าเป็นอย่างไรมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างบอกว่ากลุ่มที่สองนี่มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือมีสมาธิมากขึ้นนะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพแย่น้อยลงก็คือสุขภาพดีขึ้น กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ได้ดูคลิปวิดีโอแล้วพูดว่าวิดีโอก็พูดถึงประโยชน์ของความเครียดและมีมาอีกมาเวลาอีกมาเวลัานึงก็ไปนะทดลองกับนักศึกษาที่กําลังจะเตรียมสอบเข้าปริญญาโทกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าความเครียดเนี่ยมันไม่ดียังไงบ้างอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกความเครียดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาและมันสามารถจะ ก, กระตุ้นทําให้ ทำคะแนนได้ดีสอบได้ดีขึ้นนะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นะเขาก็ให้ทดลองสอบดูพรากว่ากลุ่มที่สองเนี่ยทําคะแนนได้ดีและถึงเวลาสอบจริงๆเนี่ยนะไอ้กลุ่มที่กลุ่มที่สองเนี่ยที่ได้รับการบรรยายว่าความเคลียด เ, เป็นเรื่องธรรมดานะมันช่วยทํามันอาจจะช่วยทําให้เราสอบได้ดีขึ้นเนี่ย ผลการสอบก็ดีขึ้นจริงๆหรือดีกว่ากลุ่มแรกนะถามว่ากลุ่มที่สองเครียดน้อยกว่าหรือเปล่าก็ไม่เครียดน้อยกว่านะเพราะาเขาเอน้ํำลายเปิดตัวก็พราบว่าฮอร์โมนความเครียดของกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองก็พอๆกันกลุ่ม2ก็เครียดนะแต่พอมองว่าความเครียดเป็นของดีเป็นเรื่องธรรมดานะมันก็กลายเป็นคุณประโยชน์ได้อันนี้น่าสนใจมากนะโอ้มีตัวใหญ่เยอะที่เขาเชื่อเห็นว่าเนี่ยพอ มองมันว่ามันเป็นประโยชน์มีคุณเนี่ยมันก็กลายเป็นคุณจริงๆได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็มันเชื่อเเลยนะว่าอะไรก็ตามเนี่ยแม้สิ่งที่เราเราบอกว่าไม่ดีเนี่ยแต่พอเรามองว่ามันดีเนี่ยหรือเรารู้จักใช้มันเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่พูดมานี่ก็เป็นประโยชน์ในทางโลกนะในทางธรรมก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่คำต่อว่าด่าทอใครๆไม่ชอบเนี่ยแต่มันก็เป็นคุณนะ มีประโยชน์เหมือนกันมีเศรษฐีคนหนึ่งนะอันนี้เสียชีวิเปแล้ก็บอกวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลเพราะคำตำหนิเนี่ยก็ทำให้เห็นข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขและทำให้ฝึกจิตฝึกใจให้ให้เข้มแข็งให้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่หลงตัวลืมตนสมัยที่หลงปู่ข้ายังมีชีวิต อ, อยู่เนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งนะชื่อแม่ชีสา เป็นแม่ชีที่ดูแลอุปถัมภ์พระเนนดีมากปฏิบัติก็ดีด้วยนะวันหนึ่งหลวงปู่ขาวก็สั่งให้ลูกศิษย์สองรูปเนี่ยไปทำอะไรรู้ไหมไปด่าแม่ชีสาพระสองรูปนั้นก็ทำตามนะไม่ได้ถามเหตุผลนะแต่ครูบาอาจารย์สั่งก็ไปไปถึงกุติของแม่ชีสาก็ดา่ดาดา่ดาด่าด่าแม่ชีสาทีแรกก็งงนะแต่ว่าตั้งสติดได้ก็ พนมมือนะรับคำดา่าโดยไม่โต้แยง้งโดยไม่ปรีดิปากแล้งสิน้นอาจารย์ทั้งสองท่านด่าจบนะนายจษาก็แทนที่จะโกรธนะก็ถามอาจารย์ทั้งสองว่าอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ด่าจบแล้วเหอรอฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินที่พูดมานี่เป็นธรรมะทั้งนั้น ขาวหน้าก็นิมนต์มาดูด่าว่ากล่าวใหม่นะมันช่วยขูดกิเลสดีเหลือเกินนะคาต่อว่าคำดูดานี่มันก็สหรับบางคนเนี่ยมันทำให้กลุ้มหมวกุ้มใจน้อยเนื้อต่าใจอันนั้นเพราะมองไม่เป็นนะแต่ถ้ามองเป็นโอ้ยมันเป็นเครื่องขูดกิเลสถูกด่าก็ยังยิ้มได้จริงๆหลวงปูข่ขาวเนี่ยนะสั่งภาพสองรูปไปเนี่ยเพื่อจะให้ไปดูว่าเนี่ยแม่ชีสาเนี่ย ปฏิบัติทาไปก้าวหน้าแค่ไหนล่ะไอ้สิ่งที่มันดูเหมือนว่าเป็นเป็นโทษเนี่ยแม้แต่จะเป็นโทษทางธรรมเนี่ยก็เป็นประโยชน์ได้นะในสายพุทธการเนี่ยมีพระรูปหนึ่งชื่อท่านแล้วุณตกาพธิยะท่านตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆเหมือนเนนแต่ที่จริงเป็นพระวันหนึ่งก็มี รถม้าแล่นผ่านในรถม้านี่ก็มีมานพนุ่มกับนางคณิกานางคณิกาเนี่ยเห็นท่านลกักขุนกะพทิยะก็ดูท่าทางน่ารักก็ยิ้มให้ท่าลกักขุนกะเนี่ยท่านเห็นเห็นรอยยิ้มของผู้หญิงเนี่ยหนึ่งซึ่งปกติเนี่ยถ้าเห็นแล้วเนี่ยอ่ามันจะกระตุ้นราาักคะแต่ท่านมองแล้วเนี่ยกับเห็นเลยว่าโอ้สังขารไม่เป็นโทษนะมานี่มันน่ากลัวมากนะ มันสามารถจะล่อมาหลอกให้เราหลงได้ทำให้เราเป็นทาสของมันท่านพิจาราจอย่างนี้เนี่ยนะท่านก็เห็นโทษของสังขารเห็นโทษของการมาสุขจิต ท, ท่านก็หลุดพ้นนะแต่ไม่ได้เป็นพระรหันต์นะเป็นพระนาคามีท่านเป็นพระคามีเนี่ยบนถนนนะเพราะเห็นรอยยิ้มของหญิงสาวซึ่งปกติเขาไม่นิยมให้พระมองกันนะเพราะว่ามันจะกระตุ้นราคะแต่ถ้ามองเป็นนะมันก็ทาให เกิดปัญญาเห็นธรรมนะเป็นพระยบุคคลได้อีกท่านหนึ่งเป็นพระอาหารหันต์เลยนะเพราะว่าได้ฟังเพลงเพลงที่ผู้หญิงกำลังร้องปกติเพลงนี้มันเป็นข้าสุกตอพรหมจันท ร, ร์นะศีลแปนี้ก็ไม่ให้พระเนี่ยหรือว่าผู้ที่ถือศีลเนี่ยฟังแต่ว่าพระติสานํารัมเอินได้ฟังนางทาสีคนหนึ่งร้องเพลงมันก็เป็นร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องอ แบบโลกโลกอ่ะนะแต่มันมีเรื่องของความไม่เที่ยงด้วยเพลงรักเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่อ ง, องความไม่เที่ยงนะรักแล้วก็ลืมหรือว่ารักแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยในเพลงนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของชีวิตท่านฟังแล้วเนี่ยนะแทนที่จะติดใจกับเสียงเพลงเสียงผู้หญิงซึ่งคงจะภัยราะท่านก็พิจารณาแล้วก็บรรลุ ธ, ธรรมเลยนะเป็นพระอรหันต์เพราะได้ฟังเสียงเพลงจากผู้หญิง อันนี้เรียกว่ารู้จักมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เวลาเราเจออะไรก็ตามที่ถือว่าไม่ดีเนี่ยนะมันสามารถจะเป็นขุนได้ความเจ็บป่วยก็เป็นขุนได้นะความเจ็บป่วยก็นอกจากจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากินอาหารไม่ถูกนอนไม่พอเลยมันยังสามารถจะสอนทําให้กับเราได้นะสอนเรื่องใตรักนะสอนเรื่องอธิจังทุกขงังอัลตา อันนี้ก็มันก็โยงมาถึงเรื่องการปฏิบัตินะของพวกเราเนี่ยพวกกายพวกพกเรามก็จะมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากมายทั้งบวกทั้งลบนะทั้งที่ดีแล้วไม่แล้วก็ไม่ดีเช่นความฟุ้งซ่านนะความเครียดนะความง่วงเหงาหานอนนะอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนักปฏิบัติหลายคนจะไม่ชอบนะที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามองให้เป็นหรือใช้ให้ถูกก็มีประโยชน์นะเช่น มันเป็นเครื่องฝึกสติให้รู้ทันได้ไวขึ้นเร็วขึ้นอารมณ์เหล่านี้มันเหมือนคู่ซอ้อมนะศัตรูคือยากำลังเนี่ยนะอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นยาที่บำรุงสติได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องมันเป็นคู่ซอ้อมของสติถ้าสติเราเนี่ยนะเจออารมณ์เหล่านี้แล้วก็มันรู้ทันมาเรื่อยๆ ร, รู้แล้วกลับมารู้แล้วกลับมาเนี่ยเราจะกลับมาได้ไวขึ้นกลับมารู้สึกตัวได้ไวขึ้น เพราะว่าสติมันได้มีคู่ซ้อมที่มันรู้ทันพวกอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือกิเลสมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเรียนรู้วิธีการที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสรุปว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นความโกรธเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะถ้าเราเห็นมันแต่ที่เราเป็นบ้าเป็นหลังจะเป็นจะตายกัเปนเพราะเราเข้าไปเป็นนะไปเป็นผู้โกรธความเศร้าก็เหมือนกันมันมีประโยชน์ถ้าเราเห็นมัน แต่เป็นเพราะเราเกี่ยวข้องไม่เป็นเข้าไปเป็นนะเราก็เลยเหมือนกับตกนรกความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนะมันถ้าเราเห็นมันนะดีนะแต่ถ้าเราเข้าไปเป็นนี่โอ้แย่เลยเห็นแล้วดียังไงนะก็เพราะว่ามันทําให้สติเราไวขึ้นเรียนรู้ว่าเออเราจะอา่ารู้จักดูรู้จักเห็นมันได้อย่างไร และต่อไปเนี่ยถ้าเห็นมันบ่อยๆเนี่ยมันจะแสดงสัจธรรมให้เราให้ประจักษ์แก้ใจของเราเพราะว่าไออารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็รู้แล้วแต่ตกอยู่ภายใต้กฎพระไตหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราไม่เห็นมันเพราะเราค่อยเป็นแต่ถ้ามีสติดูมันนะมันก็จะค่อยๆแสดงนะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นซึ่งก็ทําให้เกิดปัญญา เราไม่ได้เห็นไตลักจากไหนนะก็เห็นไตลักจากร่างกายยามที่มันแก่ยามที่มันเจ็บยามที่มันปวดเห็นไตลักจากอาการของจิตนะโดยเพ่าะที่มันเป็นลบแต่ว่านักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยพอมันเกิดขึ้นในใจก็ไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้วพอเครียดเข้าก็โอ๊ยเสียใจนะอันนี้สาวเขาเ้าไปเป็นแล้วนะไม่รู้จับดูมัน พอมันฟุ้งก็เสียใจว่าทำไมมันฟุ้งเหลือเกินนะอันนี้เพราะว่าดูไม่เป็นนะต้องฝึกนะให้มันให้มันเป็นเครื่องซ้อมสติของเรานิวรณ์เนี่ยมีประโยชน์นะเพราะว่าถ้าเรารู้จักนิวรณ์แจ่มแจ้งเนี่ยก็ถือว่าอ่าได้ได้เจริญสติในหมวดที่เรียกว่าธรรมานุ ป, ปัสสนาซึ่งเป็นหมวดสุดท้ายนะสติปัฏฐานสี่มันมีสี่ใช่ไหม กายานุปัสสนาเวทานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาธัมมานุปัสสนานี่รวมถึงว่าความเข้าใจในเรื่องนิวรณ์เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรมันดับไปเพราะอะไรเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรถ้ามันไม่เกิดะจะคิดเอาก็ไม่ได้นะเมื่อมันเกิดแล้วเราก็ดูมันพิจารณามันการเห็นความจริงของนิวรณ์เนี่ยก็เป็นส่วนของการรู้ธรรม เพราะฉะ น, นั้นเมื่อมันเกิดขึ้นก็ต้อนรับมันนะอย่าไปมองว่ามันเป็นของไม่ดีเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความดีต่อสมาธิแล้วก็เลยหาทางนะเล่นงานมันหรือว่าเป็นทุกข์เพราะมันอันนี้ไม่ถูกนะแม้แต่ความทุกข์นะพุทธเจ้าก็ก็สอนว่าให้รู้จักดูมันความทุกข์ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวไปเสียอมหมดนะในอริยสัจสีเนี่ย ข้อแลกเนี่ยเราก็รู้นะว่าคือทุกข์แต่ว่าพระองค์ยังสอนต่อไปว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะท่านใช้คำเปริญญาก็คือรู้ให้ทั่วทุกข์เนี่ยถ้าไม่รู้นะก็เสร็จนะพ่อจะเข้าไปเป็นทันทีเลยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบทุกข์เพรเข้าไปเป็นทุกข์แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่ามัวแต่ปล่อยใจให้เขาไปเป็นทุกข์นะให้ตั้งสติให้ดีให้มาเห็นมัน เห็นไม่เข้าไปเป็นนะดูอย่าเข้าไปอยู่ดูมันแต่ดูให้เป็นถ้าดูไม่เป็นก็เสร็จมันมีประโยชน์ทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นใช้ให้ถูกนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นมาไออารมณ์อกุศลเนี่ยเราก็เออตั้งตั้งสติให้ดนะีรู้สึกเป็นกลางๆ ก, กับมัน หรือจะมองว่าเออนี่มันกำลังมาสอนเราให้ให้มีสติไว้ขึ้นให้รู้จักปล่อยรู้จักวางมาสอนให้เราได้เห็นไตรลักษณ์แล้วขณะเดียวกันถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นนะบางทีก็ต้องไปหามันบ้างนะหรือว่าบางทีก็เตือนใจตัวเราเองเพราะคนเราเนี่ยมักจะอยากจะหนีความทุกข์อยากจะเลี่ยงทุกข์อะไรที่ไม่ชอบก็อยากจะถอยห่างจากมัน นะบางทีเราก็ต้องเข้าไปหามันบ้างเข้าไปหาความยากลำบากบ้างเข้าไปหาความวุ่นวายบ้างเข้าไปหาสิ่งที่กระตุ้นด้อยู่ให้จิตฟุ้งซ่านบ้างเพื่ออะไรเพื่อจะเรียนรู้ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกได้อย่างไรจะเห็นเข้าไปไม่เข้าไปเป็นได้อย่างไรนะจะมีสติรู้ทันมันโดยที่มันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าใจไม่กระเพื่อมได้อย่างไร ถ้าเราไม่ไปเข้าไปหามันเอาแต่นี้มันหลบมันแล้วจะเราจะได้วิชาได้อย่างไรนะวิชาเห็นไม่เข้าไปเป็นนี่สำคัญนะมันเป็นวิชาที่เอาไปใช้กับทุกกรณีได้ทั้งสิน้นะไม่ว่าทำอะไรไม่ว่าเจออะไรนะถ้าเราเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถจะยกจิตลอยเหนือสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ได้ คนส่วนใหญหนีนะนักปฏิบัติก็หนีหนีอะไรที่วุ่นวายนี้อะไรที่ท พ, พลุกพรานพอความเครียดเกิดขึ้นก็ห น, นีนะนักปฏิบัติจะกลายเป็นคนอ่อนแอได้นะเพราะว่าวางใจไม่ถูกเอาแต่หนีแต่พึ่งตพือนะต้องเข้าไปประชิญกับมันความเจ็บความปวดก็อย่าหนีลองดูสิว่าเออเราจะเห็นความปวดได้อย่างไรโดยไม่เป็นผู้ปวด อันนี้หหลรทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เรียกว่าเจออะไรใจก็ไม่ทุกข์นะเป็นสุขได้ในทุกสถานตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมเพราะเหตุ น, นี่แหละนะไม่ใช่ว่าจะไม่เจอความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะไม่เจออะไรเลยแต่เจอแล้วใจไม่ทุกข์เรียกไงก็ต้องเจออยู่แล้วอย่างที่พูดเมื่อวานนะความแก่ความเจ็บความป่วยความพัฒพรความตายต้องเจออยู่แล้วถ้าเราจะแต่นี้มัน แล้วเราจะได้วิชาในการที่จะรับมือกับมันโดยใจไม่ทุกข์ได้อย่างไรเพราะนั้นนั้นวางจิตวางใจให้เป็นนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณทั้งนั้นถ้าเรามองถูกหรือว่าใช้ประโยชน์ให้เป็นอ่าชานี้ก็เพียงเท่านี้อ่ากราบครบ